วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ย6สิบสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่เราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนที่ประเสริฐเลิศโลก ที่เป็นสวาขาโตภะกวตาธมโมเป็นธรรมที่ทรงตัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนี้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแต่ในสายตาของผู้ที่ ยังมีความมืดบอดอยู่ยังมีโมหะอวิชชาอย่างพวกเราอยู่ก็อาจจะทําให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรมีจริงหรือไม่อย่างไรเพราะเรายังไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นได้เราก็เลยอาจจะเกิดความรังเวสงสัยขึ้นมาเช่น พ, พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทำบุญแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วก็จะได้ไปนรกไปอบาย นอกจากสวรรค์นรกแล้ว <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ <c oughs> ในตายพบนี้ <c oughs> ก็มีจริงเป็นของจริงและการยุติการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> คือการได้ไปสู่พระนิพพาน <c oughs> ก็เป็นของจริงเหมือนกันแต่เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ ร่างกายของพวกเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเหล่านี้ไม่สามารถสัมผัสรับรู้ได้เลยสิ่งที่จะสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ต้องเป็นใจเท่านั้นต้องเป็นใจที่สว่างสวยที่เรียกว่า เป็นใจที่มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังมืดบอดอย่างพวกเราอยู่อย่างน้อยก็ให้ได้รู้ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่เพียงแต่ว่า พวกเรานี้ยังเป็นพวกตาบอดอยู่เหมือนคนตาบอดกับคนที่ตาไม่บอดนี้จะมีความจะเห็นอะไรไม่เหมือนกันญาติโยมลองสมมติตัวเองเป็นคนตาบอดอยู่ลองปิดตาดูแล้วดูซิว่าจะเห็นอะไรบ้างก็จะไม่เห็นอะไรเลย เห็นแต่ความว่างความมืดแต่จะไม่เห็นสิ่งต่างๆที่เวลาที่เราลืมตาขึ้นมามเวลาที่เราลืมตาขึ้นมาขณะ น, นี้เราจะเห็นว่ามีผู้คนนั่งอยู่ฟังเทศฟังธรรมมีต้นไม้มีอะไรต่างๆที่ตาเราสา ม, มารถมองเห็นได้ แต่สำหรับคนที่หลับตาด้วยคนที่ตาบอดนี้ยังไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยฉันใดสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอน<ม>ก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ต้องเห็นด้วยตาตาไงคือตาทิพนี้เองเรามีสองตาด้วยกัน ตาเนื้อกับตาทิตย์แต่เราใช้ตาเนื้อเพียงตาเดียวตาทิตย์ของเรานี้ตอนนี้มืดมิดอยู่ด้วยโมหะอวิชชาโมหะก็คือความหลงความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว แล้วก็อวิชาคือการไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์นี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเราผู้เป็นปุถุชนที่ยังมีความมืดบอดมีโมหะอาวิชาครอบงามตาทิพย์ของเราอยู่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าที่ทรงได้ เอาโมหะอาวิชชาที่หุ้มห่อหรือปกปิดตาทิพนั้นออกไปพอทรงเอาโมหะาอาวิชชาที่มาปิดตาในคือตาทิพนี้ออกไปตาในของพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นสิ่งต่างๆที่ได้นำเอามาเอยแผ่สั่งสอนทรงเห็นนรกทรงเห็นสวรรค์ทรงเห็นกายทิพย์ชนิดต่างๆ ทรงเห็นพระอริยบุคคลในระดับต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดทรงเห็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เคยได้มาตัดสร้ปปรากฏอยู่ในโลกนี้แล้วก็เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ศา์โลก<ม>ท่านทรงเห็นสิ่งเหล่านี้<ม>ที่พวกเราไม่สามารถที่จะเห็นได้กัน เพราะพวกเรานั้นเหมือนเป็นคนที่คนปิดตาตัวเองคนไม่ลืมตาขึ้นแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่ ง, งตา่างๆที่คนเปิดตาเห็นได้นั่นเองนี่แหละคือความวิเศษของธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นความจริง ที่มีผลต่อความสุขความทุกข์ของพวกเรากัน<ม>เพราะว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดี<ม>บุญก็ดีบุญที่พาให้เราไปสวรรค์ก็ดีบาปที่พาให้เราไปนรกก็ดี ม, มันกําลังเกิดขึ้นกับตัวของเราเอง<ม>โดยที่เราไม่รู้สึกตัว<ม>โดยที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังไปสวรรค์กัน หรือเรากำลังจะไปนรกกันเพราะเราไม่ได้มองด้วยตาทิพย์ของเราเรามองด้วยตาตาเนื้อของเราเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเห็นลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าชนิดต่างๆที่เราทั้งใครหลงไหล ที่อยากจะเสด็จอยากจะมีอยากจะได้กันเราก็เลยดิ้นรนต่อสู้หาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกิจลดกันอย่างที่ไม่มีความวาดกลัวต่อบาปกรรมที่เราอาจจะต้องทำกันเพราะเรา เห็นว่าทำบาปอย่างมากก็ไปติดคุกติดตารางแล้วถ้าเรามีเงินเราก็สามารถ<ม>ทำให้คุกตารางนี้กลายเป็นโรงแรงมกลายเป็นสถานที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้<ม>เราก็เลยไม่กลัวการกระทำบาป ก, กันเพราะเราคิดว่า อย่างมากก็แค่ขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างมากก็ติดคุกหรือไม่ฉะนั้นถ้ามีเงินก็หนีไปอยู่ต่างประเทศได้ mm hmm. ก็ไม่ต้องมาติดทุกติดตารานกัน mm hmm. แต่เราหารู้ไหมว่านี่เป็นเพียงครึ่งเดียวของชีวิตของพวกเรา <c oughs> คือร่างกายของพวกเรานี้ mm hmm. มันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่ง มันก็ต้องถึงแก่ความตายไปในที่สุดและคนที่ไม่มีตาทย์ก็จะไม่รู้ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั่นก็คือจิตใจผู้ที่เป็นผู้ที่กระทำบุญและกระทำบาปและเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป คือไปบุญไปถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปนรก mm hmm. หรือไปอบาย mm hmm. นรกนี้เป็นที่หนึ่งในอบาย mm hmm. ในอบายนี้มีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาป mm hmm. ถ้าไปเกิดไปมีร่างกายก็ไปมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. ไปยังไม่สามารถไปมีร่างกายของมนุษย์ได้ถ้าไม่ได้เกิดมีร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน<ม>ก็จะเป็นดวงวิญญาณสามชนิดด้วยกัน<ม>ชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าเปรต ด, <ม> ด, ดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยชนิดท<ม>ี่สองเรียกว่าอสุรกายดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยอมีแต่ความหวาดกลัว แล้วก็ดวงวิญญาณชนิดที่สามที่เรียกว่านรกก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตเครียดแค้น mm hmm. พยาบาท <Yeah. S 2> โกรธเกียร <Yeah. S 2> ้อนไปด้วยไฟของความอาฆาตพยาบาทโกรธเกียร yeah. Yeah. Yeah. นี่คือที่ไปของดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผลของ บุญและของบาปที่ทำไว้นั้นยังมีการแสดงผลต่อดวงวิญญาณจะพาให้ดวงวิญญาณไปอบายหรือไปสวรรค์ถ้าทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทวดานี่คือสิ่งที่เราปุถุชนนี้ยังไม่สามารถมองเห็นได้ เราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเราก็คิดว่าเราเป็นร่างกายและเมื่อร่างกายเราตายไปใครล่ะจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเ<ม>พราะร่างกายตายไปแล้ว<ม>ก็กลายเป็นขี้เท่าไป<ม>เอาไปเผากลายเป็นขี้เท่าไปเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินไปแล้วใครละ่ะที่จะไปรับผลบุญผลบาป ผูท้ที่ตาทิพตาในนี้มืดบอดก็จะไม่กลัวเรื่องบาปไม่สนใจกับเรื่องของการทําบุญเพราะการทําบุญนี้เป็นเหมือนการขาดทุนนั่นเองมีแต่การเสียไม่ได้อะไรกลับมาทําไปทําไมหาเงินมาแทบเป็นแทบตายเพื่อ เ, เ, เ, เ, เพื่อที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มกันไม่ใช่เหรือ ไปหาความสุขจากการซื้อสิ่งของต่างๆที่เราอยากได้กันซื้อเสื้อผ้าอารภรณ์วิจิตรพิสดารแบรนด์เนมต่างๆซื้อรถหรูซื้อบ้านหรูซื้อคอนโดหรูซื้อสิ่งต่างๆซื้อมาแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาเราก็เลยไม่อยากจะทำบุญกันเพราะว่าทำบุญแล้วมันไม่เห็นได้อะไร มีแต่เสียเงินไปเปล่าๆซู้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่เ่าไปซื้อกระเป๋าสวยๆซื้อรองเท้าสวยๆใส่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปรับประทานอาหารตามพัตการหรูหราต่างๆ<ม>ชีวิตของคนที่มืดบอดด้วยโมหะอาวิชชาก็จะมุ่ง ม, มั่นอยู่กับการ แสวงหาเงินทองโดยที่ไม่คำนึงว่าจะหามาได้โดยวิธีใดถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้คือสุดจริตก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็จะหาด้วยวิธีผิดกฎหมายด้วยวิธีผิดศีลธรรมเพราะว่าใจนี้หิวโหวยกำเงินทอง เพราะว่าถ้ามีเงินทองแล้วก็จะได้ไปซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้เพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถซื้อได้นี่มันทําให้มันรู้สึกซึมเศร้าชีวิตไม่มีชีวิตชีวาแต่เวลามีเงินทองนี่ชีวิตรู้สึกจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเพราะอยากจะได้อะไรก็สามารถใช้เงินทองซื้อได้กัน ก็เลยมุ่งเน้นไปที่การหาเงินหาทองด้วยวิธีการใดก็ตามขอให้ได้เงินทองมาก็แล้วกันจึงมีการกระทำบาปกันอยู่เรื่อยเวลาที่มีการหาเงินหาทองกันเนื่องจากว่าคิดว่าอย่างมากก็แค่ถูกจับไปติดคุกติดตารางถ้าฉลาดถ้าเก่ง ก็วางแผนเตรียมหนีไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะถูกจับก็บินไปเมืองนอกกันไปอยู่ที่ต่างประเทศกันเอาเงินที่หามาได้ไปอยู่ไปกินอย่างสุขอย่างสบายกันแต่หารู้ไหมว่าการทำบาปนี้มันเป็นการผลักดันให้ดวงวิญญาณที่ต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ จะต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างหรือเป็นนรกบ้าง<ม>ก็ขึ้นอยู่กับการทำบาวว่าทำด้วยด้วยเหตุผลอันใดการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป<ม>ว่ามีผลบาปตามมาเพราะจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพ นี่ผู้ที่ทำบาบด้วยความหลงด้วยความจำเป็นในการปกป้องชีวิตของตนเองเลี้ยงชีพของตนเองนี้ก็จะเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงชีพของเขาด้วยการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขาคนที่ทำบาบเพื่อเลี้ยงชีพก็เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉาน พอเวลาตายไปถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นส <osed> <Leonardo> <and> ัตว์เนราฉานนั่นเองส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีแสนก็อยากจะได้ล้านมีล้านก็อยากจะได้สิบล้านแล้วก็ใช้วิธีทําบาปเพื่อให้ได้เงินทองเหล่านี้มาตรกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ล้านหนึ่งก็ไม่อิ่ ม, มเพราะเมื่อได้ล้านแล้วก็เกิดความหิวอยากจะได้สิบล้านเมื่อได้สิบล้านก็ไม่อิ่มก็อยากจะได้ร้อยล้านดัง ไ, ได้เท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้ก็จะรู้สึกหิวโหวยห <RM. S 2> เป็นดวงดวงวิญญาณที่หิวโหวย <urun. S 1> พวกนี้เขาเรียกว่าเปรต<ๆ>พวกนี้แหละที่มารอรับส่วนบุญของ ญาติพี่น้องเวลาที่ญาติพี่น้องทําบุญและอุทิศบุญไปนี้จะอุทิศให้ได้แต่พวกนี้พวกเดียวนั้นคือพวกเปตรตพวกเปตรตนี้เขาจะมารอรับส่วนบุญเพราะบุญนี้เป็นอาหารของโลกทิพย์นั่นเองเป็นอาหารเป็นปัจจัยสี่ของโลกทิพย์เป็นอาหารเครื่องนึ่งโถมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคของโลกทิพย์พวกเปตรตนี้เวลาที่เขามีชีวิตอยู่ เขาไม่เคยคิดทำบุญทำทานเลยเขาเสียดายเงินทองที่เขาหามาด้วยความยากเย็นลำบากด้วยการช่อกงก็ด้วยการทำบาปด้วยวิธีการต่างๆเขาก็เลยหวงเงินทองตอนน้นเองไม่ยอมให้ใครต้องการจะเก็บเอาไว้ใช้สำหรับตนเองเพียงอย่างเดียวแล้วมีมากเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ต้องไปหามาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยความหิวโหยพวกนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นเปรตไปทำบาปด้วยความโลภส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวภัยชนิดต่างๆก็ทำร้ายสิ่งที่จะมาทำทำให้ตนเองเกิดความเสียหายขึ้นมาทำร้ายมแมลงสัตว์กัดต่อยทำร้ายสิงสาราสัตว์ แม้แต่บางครังก็ทำร้ายผู้คนที่คิดว่าจะมาทำร้ายตนเองตรงนี้ก็จะเป็นตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวที่หวาดกลัวมีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าเป็นอสูรละกายพวกรงนี้จะไม่มีกระจิตกระจายที่จะมารอรับส่วนบุญเพราะว่ามีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและพวกที่สามดวงวิญญาณชนิดที่สามหรือสี่นี่ คือพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดใครทำร้ายเราแล้วเราต้องล่างแค้นตาต่อตาฟันต่อฟันเวลาที่เราทำบาปด้วยความโกรธความเกลียดนี้เรากำลังสร้างนรกให้กับดวงวิญญาณของเราเวลาที่ดวงวิญญาณเราตายไปวเวลาที่ร่างกายเราตายไปดวงวิญญาณนี้จะมา จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นไฟที่ร้อนโดนเผาจิตใจสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครเกลียดใครนี้บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทำร้ายเขาต้องหาวิธีทำร้ายเขาให้ได้ก่อนถึงจะกินได้นอนหลับเป็นปกติ อ, อันนี้แหละจะเป็นสภาพของดวงวิญญาณ ของผู้ที่ทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่เรียกว่านารกดวงวิญญาณสามชนิดนี้มีชนิดเดียวที่จะมาล่อรับส่วนบุญได้ก็คือพวกเปรตพวกเปรตนี้เขามีแต่ความหิวโหยและบุญที่เราส่งไปให้เขานี้พอที่จะบรรเทาความหิวโหยของเขาได้ให้เขากลับได้แต่บุญที่เราส่งไปนี้ไม่สามารถเยียวยาความหวาดกลัวของ ดวงวิญญาณที่มีที่เป็นอสูรและกายได้บุญของเราที่ส่งไปไม่สามารถเยียวยาความทุกข์ของของนรกได้ของใจที่เป็นนรกได้ยังมีดวงวิญญาณชนิดเดียวที่จะมารอรับส่วนบุญก็คือพวกเกรดพวกที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์คี่ว่าตายไปแล้วก็จบตายแล้วก็สูญ เมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องอะไรที่จะเอาเงินที่อยากจะได้อยากจะมีนี้ไปให้คนอื่นให้เสียเวลา <c oughs> <c oughs> อยากจะเก็บเงินทองเอาไว้ใช้สําหรับตนเองเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วเวลาหาเงินหาทองก็ไม่สนใจว่าจะหาด้วยวิธีใดขอให้หาได้มาก็แล้วกันถ้าต้องทําบาปก็จะทําบาปก็เลยทําให้เป็น เปลิขึ้นมาเป็นดงวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยตายไปทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาได้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างญาติพี่น้องนี้ส่งบุญไปให้เพราะในขณะที่ตนเองมีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องบุญก็เลยไม่ทําบุญอย่างจริงจังทําบ้างก็อาจจะเป็นเฉพาะ เวลาวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดวันอะไรต่างๆแต่ไม่ได้ทำด้วยความศรัท ธ, ธาความเชื่อในบุญว่าทำบุญแล้วจะทำให้ใจนี้มีบุญมีกุศลจะทำให้ใจเวลาตายไปแล้วไปสวรรค์จะไม่เชื่อแบบนั้นทำไปเป็นแบบเป็นประเพณีทำเนียมวันนี้วันเกิดก็ทำบุญเท่าน ให้ชีวิตเราเป็นมงคลอะไรทำรนองนี้วันขึ้นปีใหม่หรือวันสำคัญอะไรต่างๆอันนี้เป็นการกระทำบุญแบบพอหอมปากหอมคอไม่พอกับการที่จะมาเยียวยาความโลภที่มีอยู่ในใจได้เพราะการทำบุญนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อมาลดละความโลภต่างๆให้น้อยลงไปนะเวลาที่เราทำบุญอย่างจริงจังนี่ เราจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจเกิดความสุขใจพอใจขึ้นมาแล้วจะทำให้ความโลภที่เราอยากจะได้สิ่งต่างๆอยากได้เงินทองอยากได้เข้าของอะไรต่างๆนี้มันเบาบางลงลดความโลภลงได้นี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้ไปเป็นเปรตวิธีแรกก็คืออย่าทำบาป อย่าทำอย่าหาเงินหาทองหาอะไรมาด้วยด้วยด้วยการกระทำบาป <Old th im> ถ้าอยากจะได้ก็หามาโดยวิธีไม่ทำบาปอย่างนี้ก็จะไม่ไปเป็นเปรตดังนั้น <Old main language> เราอยากจะได้อะไรเราก็ขยันไปทำงานทำทำงา น, ท ำ, งานทำการหาเงินหาทองที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม <Old language> อย่างนี้เราก็จะไม่เป็นเปรตถ้าเรา ยังยั ง, ยงมีความโลภอยู่ก็ยังสามารถที่จะโลภได้แต่ความโลภนี้มันก็ไม่ดีตรงที่มันจะทำให้ใจเราไม่มีความอิ่มความพอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มความพอนี้เราต้องทำบุญทำทานทำบุญทำทานแล้วจะบรรเทาความโลภ ความหิวความโหยของจิตใจลงได้ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ได้ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์<ม>ที่มีความหิวโหวยอยู่ในใจที่จะรอเวลาที่จะได้ไปหาความสิ่งหาสิ่งต่างๆที่ต้องการได้เวลาที่ได้ร่างกาย ขณะที่ไม่ได้ร่างกายก็ต้องเป็นดวงวิญญาณที่ที่หิวโหวยนะแต่ไม่ถึงกับเป็นเปรตเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวิญญาณที่รอรอคอยวันเวลาที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ mm. เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของมนุษย์ในการที่จะไปหาสิ่งต่างๆตามความโลภต่อไป mm. นี่คือดวงวิญญาณของผู้ที่ทำบาป มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันเดลาชานเปรดอสุรกายและนรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำแล้วมันก็เกิดผลทันทีไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ถ้าทำแล้วมันก็จะเกิดผลถ้าไม่ทำมันก็จะไม่เกิดผลตามมา นี่เป็นสิ่งที่คนที่มีตาในสามารถมองเห็นได้อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตถ า, าวกทั้งหลายท่านได้ท่านรู้จักวิธีเปิดตาในของท่านพ อ, อท่านเปิดตาในท่านก็เลยเห็นสิ่งที่ตาในมองเห็นคือเห็นโลกทิพย์นี่เองพวกเรานี้ยังตาในยังมืดบอดอยู่เราเรายังไม่เห็นโลกทิพย์เราเห็นเพียงแต่โลกของทางร่างกาย ที่เรียกว่าโลกกธาตุโลกของดินน้ำลมไฟเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆผ่านตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพชนิดต่างๆเท่านั้นเราก็เลยคิดว่าโลกของเราก็มีเพียงเท่านี้มีเพียงแต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพแต่ความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้เพราะเรามี จิตใจที่เป็นกายทิพย์ที่อยู่ในโลกทิพย์ที่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นเครื่องอยู่ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันจึงได้นำเอามาเผยแร่สั่งสอนให้กับสรรโลกอย่างพวกเรา ผู้ที่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปจะได้รู้ไว้เพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำถ้าเราอยากจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และมีความสุขหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว mm hmm. คืออย่าไปทำบาป mm hmm. การไม่ทำบาปนี้ mm hmm. เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็จะอยู่อย่างสบายใจ ไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าจะต้องไปถูกจับไปติดคุกติดตาราง<ม>ใจจะไม่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้<ม>ใจจะเย็นใจจะสบายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใด<ม>แต่ถ้าเราไปทำผิดกฎหมายดู เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้มาจับเราเพียงแต่เห็นเขาเดินมาเท่านั้นเองก็ใจก็วูบลงไปแล้วคิดว่าเขาจะมาจับเราไปติดคุกติดตารางดั mm hmm. งนั้นการไม่ทําบาปนี้จะทําให้เราอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุข mm hmm. ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการที่จะต้องถูกจับไปลงโทษ แล้วก็เวลาตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะได้ไม่ต้องไปไปอยู่ในอบายไปอยู่ในโลกทิพย์ที่เป็นซีกที่มีแต่ความทุกข์ไปอยู่แบบเปรตไปอยู่แบบอสุรกายหรือไปอยู่แบบนรก mm hmm. นี่คือถ้าเราไม่ทำบาปผลเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าเราทำบุญ เราก็จะได้ผลที่ดีต่อจิตใจของเราเวลาเราทำบุญนี้จิตใจเราจะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายมีความอิ่มมีความพออันนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาเราทำบุญแล้วใจเราจะไม่ไม่ค่อยหิวโหยไม่ค่อยโลภไม่ค่อยอยากกับอะไรทั้งหลายทั้งต่าไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำบุญคนที่ไม่ได้ทำบุญนี้ ใจจะหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะหิวโหยกับลาบยศสรรเสริญอยากเล่นล่นคอยหาแต่ลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาบำรุงบำเลอจิตใจของตนเองแต่ใจที่มีบุญใจที่ได้ทาบุญนี้จะเป็นใจที่รู้สึกมีความอิ่มมีความพออยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องดิ้นลนหาเงินถ้ายังไม่จําเป็นที่จะต้องมี ก็ไม่ต้องไม่ดิ้ดนลนอยากจะหายศรฐารดาศาสก็เฉยเฉยจะเป็นอะไรก็ไม่ได้กังวลจะเป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกก็ไม่เดือดร้อนเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าใจมีบุญแล้วใจมันอิ่มมันไม่จะไม่หิวโหวยกับยศกับตำแหน่งจะไม่หิวโหวยกับรางวีรางวัลต่างๆ เหมือนกับผู้ที่อยู่ในวงการต่างๆวงการกีฬาก็หิวโหวยกับเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงวงการดาราก็หิวโหวยกับตุ๊กตาทองต่างๆอันนี้เป็นผลที่เกิดจากพวกนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานกันยังเกิดความรู้สึกหิวโหวยวงการกีฬาก็อยากจะได้ช่วยอยากจะได้ชิงแชมป์กันอะไรกันหิวโหวยกันไป สำหรับผู้ที่ทำบุญแล้วมีบุญทำบุญอยู่เป็นประจำนี่จะไม่หิวโหยกับเรื่องราวเหล่านี้จะไม่หิวโหยกับลาบยศสลาเสิญจะไม่หิวโหยกับรูปเสียงกิ่นรถต่างๆจะไม่หิวโหยกับการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปหิวโหยกับการไปดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขความสบายใจ เพราะอนิพานุภาพของการทําบุญแล้วเวลาที่ตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาดวงวิญญาณนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์ที่จะเป็นเทพขึ้นมาสวรรค์หรือนรกนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่เหมือนเชียงใหม่หรือภูเก็ตเนี่ยแต่มันเป็นสภาพความรู้สึกของใจของพวกเราใจที่มีความสุขมีความอิ่มมีความ พอนี้เรียกว่าสวรรค์ใจที่มีความหิวโหยหรือมีความหวาดกลัวหรือมีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นี้เป็นใจที่เป็นอบายเป็นเปเป็นอสุรกายเป็นนรกมันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นสถานที่อะไรที่ไหนเราทำอะไรปุ๊บใจของเราก็จะเป็นขึ้นมาทันที เช่นขนาดนี้ร่างกายของเรายังเป็นมนุษย์อยู่เรายังร่างกายนี้ยังไม่ตายร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานี้อาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้ถ้าเราทำบาปอยู่เรื่อยๆใจของเรานี้จะเสื่อมลงไปเสื่อมไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกกายบ้างเป็นนรกบ้างทำบุญทบาปแต่ละครั้งมันก็จะ กลายพันธุ์ไปทีละนิดเท่าหน่อยทําให้กลายพันธุ์จากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือเป็นนรกขึ้นมาทํามากๆทําบ่อยๆเข้ามันก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับส่วนถ้าเราทําบุญกันนี่ทําบุญอยู่เรื่อยๆทํามากทําน้อยใจเราก็จะเป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นทีละนิดเทอาน้อย อันนี้แหละถึงแม้ร่างกายจะมีร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จิตใจของพวกเรานี้ไม่เหมือนกันจิตใจของเราขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทํากันบางคนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วก็ได้ชอบไปลักขโมยของเขามากินมาแทนที่จะไปทํามาหากินขี้เกียจก็เลยไปลักไปขโมยไปหาเงินไปหาข้าวหาของมากินมาใช้ หรือถ้าไปทำมาหากินอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงนี้เรียกว่าใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเริ่มกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่แล้วเต็นตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าจะจะมาเป็นตอนตายเป็นทุกขณะที่เราทำบุญหรือทำบาปกันเราทำบุญเท่าไหร่มันก็จะเป็นเป็นเทวดามากขึ้นไปเท่านั้น ทำมากทำบาปมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตมากขึ้นไปเท่านั้นเนี่ยขณะนี้เรามีร่างกายเหมือนกันเป็นร่างกายเป็นมนุษย์มีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันแต่ดวงวิญญาณดวงจิตใจของพวกเหล่านี้ไม่เหมือนกันเสียแล้วเพราะการทำบุญทําบาปของเหล่านี้มีไม่เท่ากันนี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายสามารถมองเห็นได้<ม>จึงนำอาคำสอนจึงมาสั่งสอนพวกเราที่ยังมืดบอดนี้ให้ละการกระทำบาปทั้งปวง<ม>อย่าทำบาป<ม>ถ้าไม่อยากจะทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้ไปอบาย<ม>แล้วก็ให้เราทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆการทำบุญนี้มีหลายวิธีด้วยกัน ไม่ใช่มีแต่เ hmm. พ hmm. like ียงการทำทานเช่นการเอาข้าวของเงินทองไปให้คนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำทานการกระทำอย่างอื่นที่ทำให้ผู้อื่นเขาเกิดได้รับประโยชน์ได้รับความสุขก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันเช่นเราเป็นไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานองค์กรการกุศลต่างๆโดยที่เราไม่รับผลตอบแทน คือไม่ไม่ไม่ได้รับค่าจ้างเงินทองทำด้วยความความเสียสละอยากจะช่วยให้สังคมหรือองค์กรที่ทำคุณทำประโยชน์นี้ได้ทำคุณทำประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปเวลาที่เรามีเวลาว่างเราไม่มีเงินมีทองที่จะไปทำบุญทำทานเป็นกอบเป็นกรรมแต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครได้ ไปช่วยองค์กรมูลนิธิพอเทคติงก็ได้ร่วมกัตันยูก็ได้เวลาที่เขาต้องไปช่วยกันบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ที่ประสบภัยต่างๆในเวลาเกิดภัยพิบัติทางน้ำก็ดีถ้ไฟไหม้ก็ดีก็ต้องมีการช่วยเหลือกันเรามีเวลาว่างเราก็ถ้าเราอยากได้บุญได้กุศล อยากจะยกยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นมาเป็นเทพเป็นสวรรค์เราก็สามารถไปทำงานเหล่านี้ได้<ม>หรือถ้าเรามีความรู้วิชาความรู้เรามีเวลาว่างเราอาจจะเปิดสอนพิเศษให้กับเด็กที่ต้องการที่จะมาเสริมความรู้โดยที่ไม่คิดเงินทองให้เด็กที่ยากจนที่อยากจะมาเรียนพิเศษ ย่าได้เรียนฟรีไม่เก็บเงินเก็บทองอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันวิทยาทานหรือการช่วยเหลือคนที่เขานาบากช่วยเหลือตอนเองไม่ได้บางทีเราก็ไปไปช่วยงานในบ้านคนชราบ้านคนพิการที่เขาไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้เหมือนกับคนที่เป็นปกติเราไปทํางานในสถานที่เหล่านี้ก็เรียกว่าเราได้ทําบุญทํากุศลเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าเราจําเป็นจะต้องใช้เงินทองเพี อ, อย่างเดียวขอให้เราตลบง่ายๆคือการทําความดีนี่คือการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้กับสังคมอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทํากุศลมีเวลาว่างๆไปทําบุญทํากุศลดีกว่าไปไปทําบาปทํากรรมบางคนอยู่แล้วอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปยิงนกตกปลาไป เพื่อจะได้มีความสนุกสนาน <Yeah. S 1> หรือไปกินเหล้าเมายาไปเสพอบายามุขต่างๆ mm hmm. การกระทําเหล่านี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ mm hmm. อบายามุขนี้มันจะทําให้เราสูญเสียเงินทองไปมากกว่าที่จะได้เงินทองกลับมาแล้วถ้าเราไปเสพอบายามุขมากๆขึ้นเงินทองที่เรามีอยู่ก็อาจจะไม่พอใช้เมื่อเงินทองไม่พอใช้ ถ้าเราไม่สามารถหามาเพิ่มได้ด้วยวิธีสุดจริตเราก็จะต้องไปหามาโดยวิธีทุจริตนั่นเองนั้นการเสพอ บ, บายามุขนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทํากันถ้าเรามีเวลาว่างๆอยากจะมีความสุขแทนที่จะไปดื่มโซดาไปเล่นการพนันไปเที่ยวตามบาร์ตามผับนี่เราเวลานี้ไปทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีกว่าไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่เขา ขาดความขาดความช่วยเหลือดูแลคนแก่คนเฒ่าแม้กระทั่งคนในบ้านเราบิดามารดาของเราก็ดีปู่ย่าตายายของเราก็ดีบางทีท่านก็ต้องการความช่วยเหลือจากเราเพียงแต่ท่านไม่สามารถพูดได้ทั้นเองมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกของพวกเราถ้าเราอยากจะได้บุญได้กุศลนี่ควรจะนึกถึงคนที่มีพระคุณของเราด้วย เพราะคนเหล่านี้เขาเป็นคนสร้างเราขึ้นมาทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในขณะนี้ก็เพราะมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายเวลาปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาแก่ชราลงก็ไม่สามารถทำอะไรเหมือนกับตอนที่เขาเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวได้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราควรที่จะมาดูแลท่านมาช่วยเหลือท่าน การช่วยดูแลบิดามารดาปู่าตายาย น, นี้เป็นการทําบุญคนจะคิดให้ถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขเวลาเราได้ทําบุญแต่ละครั้งนี้ใจเราจะรู้สึกภูมิใจภูมิใจว่าเราได้เสียสละเสียสละเงินทองเสียสละเวลาของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้ มันจะทําให้ใจเรามีความอิ่มมันจะระ ง, งับความโลภความอยากต่างๆได้ระ ง, งับความอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเสพอบายามุขไปทําอะไรต่างๆได้ทําให้ใจเหล่านี้ถึงแม้จะไม่มีเงินมีทองไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายไม่มียศไม่มีตําแหน่งอะไรแต่ก็เรกับรู้สึกมีความสุขมีความภูมิใจ มากกว่าเวลาที่เรามีเงินมีทองมียศมีตาแหน่งเพราะการมีเงินมีทองมียศมีตํแหน่งนี้มันไม่ได้ทำให้ใจเราอิ่มทำให้ใจเราพอมันกลับทำให้ใจเราหิวทำให้อยากเพิ่มขึ้นพอได้เงินระดับนี้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกได้พอได้เงินล้านแล้วทีนี้ก็อยากจะได้เป็นสิบล้านพอได้สิบล้านก็อยากได้ได้เป็นร้อยล้านเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทอง ไม่สนใจกับการที่จะทำคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเขาจะเดือดร้อนลำบากยากเย็นอย่างไรเราก็มองไม่เห็นเพราะใจเรามองไปแต่ที่ผลประโยชน์ของเราเท่านั้นเองคือการหาทรัพย์หาเงินหาทองมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆถ้าเราขิวกับตาแหน่งกับยศเราก็จะวิ่งเต้นอยู่กับเรื่องการหายศหาตาแหน่งเวลามีการเลือกตั้งการรีบนงสมัคร พอได้เป็นสสก็วิ่งเต้นกันหาตำแหน่งกันหาตำแหน่งอะไรต่างๆกันวิ่งเต้นกันไปอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่ปีก็จบจบแล้วก็มาเลือกใหม่มันก็วนเวียนอยู่นั้นใจก็จะไม่มีความอิ่มความพอมีแต่ความหิวโหวยดงนั้นเอาเวลาของเราที่มีค่านี้มาทําคุณทําประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราดีกว่ามาให้ความสุขความอิ่มใจด้วยการมาทาบุญทาทาน ด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่ได้แสดงไว้คือสรุปง่ายๆก็ให้เรามาเสียสละเวลาของเรารู้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื mm ่น hmm. ท่านี้แหละทำอะไรแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรจะให้เรามีอะไรจะช่วยเขาได้ก็ช่วยกันไปตามกำลังแต่ก็ต้องรู้จักประมาณอย่าทำจนกระทั่งเกิดความเดือดร้อนเสียหายกับตัวเราเอง เราทำพอประมาณทำพอให้เร า, เาทำประโยชน์ให้คนอื่นได้แล้วเราก็ไม่เสียหายไม่เดือดร้อนบางคนเวลาทำบุญทำความดีแล้วก็ไปติดแล้วก็อยากจะทำมากๆบางครั้งบางทีทำเกินเลยทำเกินความสามารถของตนเองทำให้ไม่ไม่มีเวลามาดูแลตัวเองมัวแต่มาดูแลคนอื่นจนลืมตัวเองไปทำให้ตัวเองนี้เดือดร้อนเสียหายขึ้นมาได้ อันนี้ก็ต้องคอยสังเกตดูว่าเราอย่าทำอะไรให้มันเกินกำลังของเราการที่มันจะเป็นประโยชน์มันกลับจะเกิดโทษกับตัวเราเองได้<ม>ต้องทำตามกำลังของเราตามเวลาตามโอกาสของเราช่วงไหนที่เราไม่สามารถทำได้เราก็ต้องทำใจว่าเราก็แบกโลกไม่ได้หรอกคนในโลกนี้มีเป็นพันล้านคนเราจะไปช่วยเหลือคนทั้งโลกนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ เราก็ช่วยได้เท่าที่เราจะช่วยได้ก็พอถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วบางทีเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญแล้วเราจะรู้สึกไม่มีความสุขใจเราจะรู้สึกเศร้าใจเสียใจว่าเราไม่ได้ช่วยขานั้นไม่ได้ช่วยคนนี้เราก็ต้องมองโลกว่ามันเป็นโลกมันใหญ่โตวกว่าเรามากหลายหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันเท่าเราตัวคนเดียวนี้เราจะไปทำเวลาให้กับโลกทั้งหมดนี่ไม่ได้หรอก เราก็ทำไปตามกำลังของเราก็พอทำเพื่อให้เรามีความสุขความสบายใจอย่าไปทำจนกระทั่งทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาคือความโลภอยากทำความดีมากเกินไปการทำความดีนี้ความอยากทำความดีที่พอประมาณนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมแต่ความอยากทำความดีเกินความสามารถเกินกาลังของเราแล้วไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับตัวเหล่านี้ เรียกว่าเป็นกิเลสไปเสแล้วต้องรู้จักประมาณทาเท่าที่พอเหมาะพอสมกับกําลังของเราก็พอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเห็นกันถ้าเรายังติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็อย่าไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายเลยอย่าไปเกิดในอบายอย่าไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก แล้ววิธีที่จะห้ามไม่ให้เราไปเกิดก็คืออย่าไปทําบาปทํากรรมท่านนั่นเองแล้วให้เราแต่ทําแต่ความดีทําแต่บุญทําแต่กุศลเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับสวรรค์จากสวรรค์ลงมาแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มามาทําบุญทํากุศลใหม่มามีความสุขอยู่กับการทําบุญทํากุศลตายไปก็กลับไปเกิดเป็นเทวดาใหม่ เปียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะถึงแม้ว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามการเกิดเป็นมนุษย์นี้มันก็มีส่วนที่เป็นสุขและส่วนที่เป็นทุกข์เวลาที่เรายังมีตอนเวลาที่เรายังจเจริญเติบโตอยู่นี้ความทุกข์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถทําอะไรตามต่างๆสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทําได้ แต่พอเราไปอยู่อายุเราสูงมากขึ้นเป็นคนคนอายุมากแล้วนี่ทีนี้ร่างกายมันก็จะเริ่มกลายเป็นกลายเป็นพิษกับเราแล้วเวลามันแก่มันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดอาการเจ็บปวดตามสพางร่างกายต่างๆก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วในที่สุดเมื่อรักษาไม่ได้ก็จะต้องตายไป ถ้าเราเบื่อกับการที่เราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี้เราก็ต้องทําตามข้อที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทําก็คือให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปชีวิตของเรานี่มีทางเลือกทางทำอยู่สามทางด้วยกัน ทางเลือกที่หนึ่งก็คืออย่าทาบาปถ้าเราไม่อยากจะไปอบายก็อย่าทาบาปแล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก็ให้เราทาบุญแล้วถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือข้อที่สข้อที่หนึ่งก็คืออย่าทาบาปข้อที่สองให้ทาบุญทากุศล แบบไหนก็ได้ที่เราสามารถทำได้ตามกำลังตามโอกาสของเราเราก็ทำไปแล้วแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอลีกต่อไปเราก็มาทำข้อที่สามเพิ่มเพิ่มจากข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเรามาชำระ จ, จ, จิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์วิธีการชำระ จ, จ, จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งคนพบว่าต้องใช้การเจริญที่เรียกว่า จิตตะภาวนาคือการพัฒนาจิตใจให้ให้สูงขึ้นกว่าระดับของเทพยกระดับของจิตใจให้ไปสู่ระดับของพรหมเพราะระดับของพรหมนี้มีความสุขมากกว่าระดับของเทพแล้วถ้าจิตใจมีความสุขแล้วความโลภความโกรธตัวที่มาทำลายพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้มันก็จะอ่อนกําลังลงแต่มันไม่ตาย ด้วยการที่ยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพรหมต้องขึ้นต้องยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลด้วยการเจริญปัญญา<ม>การภาวนานี้มีแบ่งไว้สองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาการทำใจให้สงบยกระดับจิตใจจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมแล้วขั้นที่สองก็คือการเจริญวิปัสสนาภาวนา อันนี้เป็นการยกระดับจิตใจจากครมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลให้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอหรหันต์ตามลาดับต่อไปนี่คืองานชําระจิตใจมีอยู่สองระดับด้วยกันชําระอะไรชําระความโลภความโกรธความหลงขั้นตอนแรกให้ชําระด้วยสมถะภาวนาคือทำใจให้นิ่งให้สงบ เวลาเราทำใจให้นิ่งสงบนี้ความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จะหยุดทำงานชั่วคราวชำระความโลภความโกรธความหลงแบบชั่วคราวไว้ก่อนเวลาที่ความโลภความโกรธความหลงไม่ทำงานนี้ใจของเราจะเย็นใจของเราจะนิ่งใจของเราจะสบายใจอิ่มจะไม่หิวโหยจะเป็นเหมือนนิพพานเพียงแต่ว่ามันเป็นนิพพานชั่วคราว เพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าไปในสมาธิได้ระยะหนึ่งแล้วกำลังที่พาให้เราเข้าสมาธิมันหมดลงจิตก็จะถอนออกมาถอนออกมาจากสมาธิก็จะมาคิดมารสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆพอได้สัมผัสรับรู้ความโลภความโกรธความลง ก, ก็จะโผล่ึ้นมาใหม่ความอยากที่จะ เส็บสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสก็จะปรากฏขึ้นมาความอยากที่จะได้ราบยศสารเสริญมันก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นเพราะว่าสมาธินี้ไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงตัวที่พาให้จิตใจของเราไปเวียนว่ายตายเกิดได้นี้หยุดได้อย่างถาวรเพราะว่ากำลังของสตินี้มีไว้เพียงแต่หยุด หยุดเท่านั้นเองสมาธิหยุดโลกหยุดความโลกความโกรธความหลงแต่จะไม่สามารถที่จะทำลายให้มันหายไปหมดไปได้ผู้ที่จะมาทำลายความโลกความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นี้ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็เกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิการปฏิบัติภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา เราต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนเราต้องได้สมถะภาวนาก่อนได้สมาธิก่อนได้ความสงบก่อนได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเพราะสมถภาวนานี้จะตัดกำลังของความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปจนกระทั่งเราจะสามารถเอาปัญญามาใช้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธินี่ความโลภความโกรธความหลงนี่มันแรงมากมีกาลังมากมันจะ ไม่สามารถเอาปัญญามาหยุดมันได้เหมือนนักมวยนี่ถ้ายังไม่ถูกชกนับแปดนี่โอกาสที่จะเอาชนะเขานี่ยากเพราะเขายังมีกําลังมากอยู่แต่ถ้าเราสามารถชกให้เขาล้มลงไปนับแปดได้แล้วนี่พอเขาลุกขึ้นมานี้เขาจะโซเซแล้วเขาจะไม่ค่อยมีกําลังตอนนั้นเราก็สามารถเข้าไปทําให้เข า, เาน็อก นอกได้อย่างนับสิบเลยเพราะกำลังเขาหมดแล้วน้อยลงไปมากนะขันใดกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนคู่ต่อสู้คู่โชกของเราตอนที่เายังตอนที่เรายังไม่ได้สมาธินี่กิเลสตัณหาความโลภความอยากนี้มันกำลังมันแรงมากเห็นอะไรปุ๊บก็อยากจะได้คิดอะไรก็อยากจะมีอยากจะเป็นขึ้นมาใช้ปัญญามาสอนว่ามันเป็นของไม่ของไม่เที่ยงของชั่วขาวมันเป็นทุกข์ มันก็ไม่ฟังมันไม่เชื่อแต่ถ้าเราได้มาทำสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วขอให้มันกิเลสตัณหาหยุดทำงานเชื่อข่าวแล้วเราก็จะเห็นว่าผลที่เวลาที่เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงนี้มันเป็นยังไงเวลาที่กิเลสตัณหามันไม่ทางานมันไม่มีนี้เป็นยังไงมันทำให้ใจของเราเย็นทำให้ใจของเรามีความสุขอย่างยิ่งมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจ ที่จะสู้กับความโลภความอยากแล้วความโลภความอยากที่เคยรุนแรงก่อนที่เรามีสมาธิก่อนที่เราได้สมะถะภาวานานี้มันก็จะเบาบางมันก็จะอ่อนกำลังลงสมาธินี้เป็นเหมือนทําให้กิเลสตัณหานี้ถูกนับแปดไปตัดกำลังของกิเลสตัณหาให้อ่อนลง ออนลงจนกระทั่งเราสามารถจะใช้วิปัสสนาภาวนาคือการใช้ปัญญามามาหยุดมันได้ปัญญาที่เราจะมาหยุดกิเลสได้ก็คือไตรลักษณ์นี่คือการเ ห, เห็นสิ่งต่างๆที่กิเลสอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาตอนต้นอาจจะเป็นความสุขก็จริงแต่ความสุขนี้ไม่เป็นความสุขที่จีรังถาวร ไม่ช้าก็เร็วความสุขที่ได้มามันก็จะหมดไปพอหมดไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเกิดความอยากให้มันสุขอีกแต่เราไม่สามารถทำให้มันสุขได้ทุกครั้งไปทุกเวลาไปเพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นของที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราสั่งมันไม่ได้เช่นสั่งให้คนที่ให้ความสุขกับเรานี้ให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ใหม่ๆเขาก็ให้ความสุขกับเรา แตอยู่ไปอยู่ไปเขาก็เปลี่ยนไปแทนที่จะคอยดูแลเราคอยช่วยเหลือเราคอยให้ความสุขกับเราบางทีเขาก็ไม่สนใจเขาอยากจะไปหาความสุขของเขาเองตอนนั้น่ะเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะตอนพบกันใหม่ๆคิดว่าเขาจะให้ความสุขกับเราตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่อยู่ไปอยู่ไปอความสุขของที่เขาให้เรานี้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นของไม่แน่นอน เขามีมีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีสลับกันไปอันนี้เรามองไม่เห็นกันเวลาเราเห็นอะไรเรามักจะเห็นแต่ส่วนดีอย่างเดียวเห็นว่าโอ้เสียงได้อย่างนี้มาแล้วจะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่เคยคิดว่าเขาอาจจะหมดไปเปลี่ยนไปได้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้พอเขาหมดไปจากเราไปนี้ก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจอันนี้คือการใช้ปัญญามองสิ่งต่าง ที่กิเลตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มันก็ดีอกดีใจกันตอนนี้ได้ตำแหน่งได้ได้ตำแหน่งได้รัฐมนตรีกันดีอกดีใจเดี๋ยวกี่เดือนกี่ปีกันเดี๋ยวก็หมดแล้วจบแล้วเวลาจบก็เศร้าไม่มองไม่เห็นตอนที่มันจบกันเห็นไม่ว่าเราจะมองอะไรขอให้เรามองว่ามันมีมันมีเวลาจบ งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงไม่มีงานเลี้ยงที่ไหนที่เลี้ยงกันไปทุกวันทุกคืนตลอดเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันต่อปีงานเลี้ยงต้องมีวันสิ้นสุดของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นงานเลี้ยงนี่มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงให้มองเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่มันหมดไปนี่มันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าใจเสียใจ ถ้าให้มองด้วยปัญญาอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วใจเราก็จะเบื่อจะไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับความนิ่งอยูเวลาใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะนิ่งเช่นเวลาเราเข้าสมาธิความอยากก็หยุดทำงานเชื่อคราวใจเราก็นิ่งเย็นสบาย แต่ถ้าเวลาเรามีความอยากแล้วเราสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็เปลี่ยนใจเสียแทนที่จะอยากได้ก็ไม่เอาไม่อยากได้พอเราหยุดความอยากได้เท่านั้นใจที่ทุกข์ร้อนกับความอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้มันก็จะเย็นขึ้นมา ท, าทันทีมันก็จะสงบนิ่งสบายขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธนะิการหยุดความอยากด้วยปัญญานี้มันดีกว่าการหยุดความอยากด้วยสยติ การหยุดความอยากด้วยสติหยุดได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่การหยุดความอยากด้วยปัญญานี้จะหยุดได้อย่างถาวรพอเราหยุดเรื่องนี้ได้แล้วเราจะไม่กลับไปอยากมันอีกต่อไปนะเราเคยอยากดื่มกาแฟนี่พอเราเห็นว่าการดื่มกาแฟนี่มันเป็นทุกข์เพราะต้องคอยหามาดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ดื่มมันก็ทุกข์ไม่ดื่มมันดีกว่าตัดมันไปเลย พอเลิกดื่มปับ๊บทีนี้เราก็ไม่เป็นธาตของกาแฟต่อไปใจเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องดื่มกาแฟนี่แหละคือปัญญาวิปัสสนาที่จะตามมาถ้าเราอยากจะทําให้ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเรานี้หมดเส้นไปจากใจอย่างถาวรเรียกว่าเป็นการชําระใจอย่างถาวรนี้ต้องชําระด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาแต่ต้องอาศัย การเจริญสมมาถะภาวนาคือสมาธิก่อนให้ใจสงบให้ใจมีกำลังให้ความโลภความอยากต่างๆมันอ่อนกำลังลงก่อนเราถึงสามารถจะมาใช้ปัญญาเพื่อทำลายมันได้อย่างถาวรต่อไปพอเราทำลายความอยากความโลภหมดไปจากใจแล้วใจเราก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่มีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวโหวยกับอะไรใจนี้แหละที่จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดนี้เราก็เรียกว่านิพาน้งนั้นเองเป็นใจของพระพุทธเจ้าและเป็นใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย<ม>ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติมากันแล้วท่านก็เอา น, นาแนวทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็มาทําตามที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้กระทํากันก็คือละาการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อำชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทําทั้งสามอย่างนี้ได้เราก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้บรมมาสุขของพระนิพพานมาเป็นสมบัติของเราไปตลอดนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาลิกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุ ป, ปกะปติอิชิตังปะทิตางตุมหังคิะเมวะสมิจฉะตุสัพเพพุเรนตุสังกปา จันทูปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีฆายุโกภวะ อาพิวาธานสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวะทานติอายุวโนโสุภาหราช่วงต่อไปนี้ตนช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูท b บวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทางเฟซบุ๊ก472ท่านยูท b บพระอาจารย์ 3ามร้อยแปดท่านยูทู u ด็อกตอรวีหกสิบสองท่านวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดท่านคลับเฮาส์หกท่านนากุติร้อยห้าสิบปดท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพันสิบเจ็ดท่านครับอาจารย์โอเคเมคนอยากจะถามให้ถามได้เลยมาพูดใกล้ๆลปากกันไปก็ได้ครับในมัสการนะครับผมมาจากลาดลีครับอ่า คำถามเดียวสั้นๆครับผลทางสู่ความสำเร็จที่มันเดินทางยากไหมครับไม่ยากเลยอยู่ที่ความขยันนะถ้าขยันก็แป๊บเดียวก็ถึงถ้าขี้เกียจก็อร้อยปีก็ยังไม่ถึงแล้วถ้าผมยังแบกภาระอยู่ก็แบกไปถ้าแบกไปก็ของหนักมันก็ทำให้เราไปช้าหน่อยคือผมต้อง การผิดชอบครอบครัวอยู่อ่ะ อ, ะอะก็แบกไปนีมีห่วงถ้าต้องแบกก็แบกไปแล้วจะปฏิบัติยังไงครับไม่บบได้ปฏิบัติแบกแบกไปไงปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติได้อืมครับอย่า เ, อาเวลาไปกินเหล้าเอาเวลามานั่งสวดมนต์แทนอเย่าเอาเวลาไ ป, ไปเที่ยวไปเดินเอาเวลามาปฏิบัติขึ้นขึ้นกลางๆก็ทําเท่าที่เวลามีให้มีเวลาเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้น โอเคฮะแต่ผมก็ฟังธรรมะหลุมพ่อเรื่อยๆนะครับอ่าเรื่อยครับแก่พระนักก่แลอาจารย์ครับนั่งหนอนั่งหยช่วนั่หน่อยใกล้ใกล้ปากเลยตรงนี้ยโอ้โว้กลมๆเนี่ยเออคำถามนี้เป็นคำถามกำกวงหรือเปล่าไม่ทราบนะอาจารย์คือผมก็คิดแล้วแหละแต่ก็อยากจะถามว่า ถ้าเราจะไปนิพพานอาจารย์เราจะเหงาไหมครับอะไรนะเราไปนิพพานเราจะเหงาไหมครับเป็นเหงาไหมใช่ครับไม่เหงาหรอกไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวแสนจะสบายสุขยิ่งกว่าอยู่คนเดียอยู่คนเดียวก็วมีเรื่องเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็โบยกัอนอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราสบายจะตายเลย ลองทำดูดิทำใจสงบแล้วมันไม่อยากจะยุ่งกับใครครมีคำถามจากทาง YouTube ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราทำบุญแล้วใจยังไม่รู้สึกสุขเราจะได้บุญไหมครับก็ได้น้อยนะ่ะถ้าอยู่ที่เราทำมากทำน้อยทำมากก็จะสุขมากทำน้อยก็จะสุขน้อย อลองสังเกตดูทำบุญสิ บ, บาทกับทำบุญพันบาทนี่รือันไหนมันจะสุขกว่ากันคำถามจาก Facebook ค, ค่ะถ้าเราต้องค่าหนอนในแผลสุนัขเพื่อการรักษาจะเป็นบาปหรือไม่คะบาปถ้ามันเป็นของที่มันมีวิญ ญ, ญาณมันก็บาปมีแค่สองอหรือเ้ล่องข้อการทำบาปนี่ถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่มีวิญ ญ, ญาณก็ไม่บาปเช่นต้นไม้นี่ ตัดจริงไม้ตัดต้นไม้นี่ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณมันไม่บาปเชื้อโรคนี้ก็ไม่ถือว่าไม่มีวิญญาณพวกเชื้อโรคเวลาเรากินยาฆ่าค่าเชื้ อ, อยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้เชื้อโรคนี้มันไม่มีตาหูจมูกลิ้กนกายสิ่งที่จะมีวิญญาณได้ต้องมีตาหูจมูกลิ้กนกายอย่างตัวหนอนนี่มันมีตาไม่หูมมันสัมผัสรับรู้แสดงว่ามันมีวิญญาณมาก่อ นั่นก็อย่าไปทําลายสิ่งที่มีวิญญาณหรือว่าบาปแตสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนี้ไม่ถือว่าบาปจากคุณรงค์ค่ะการที่ญาติเสียชีวิตแล้วสิบกว่าปีเขามาเข้าฝันเรื่อยๆแสดงว่าอย่างไรครับการที่เขาเสียชีวิตแล้วข้ออะไรดีนะอะมาเข้าฝันค่ะหลวงพ่อ เข้าฝันใช่ค่ะก็พ่ า, า จ, จะไม่ได้เข้ามาก็ได้เราจะนึกถึงเขาเองก็ได้ถ้าถ้าเขาเข้าฝันจริงๆเราต้อคุยกับเขาได้ถามสารทุกข์สุขดบได้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว <c oughs> อยู่สวรรค์ชั้นไหนแล้วดา <c oughs> วเดิงเลื่อดสี <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้านี้คุยกับแม่ได้คุยกับพุทธมารดาได้ได <c oughs> จากคุณจิรพันธ์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันดิ่งๆ แล้วเรารู้สึกกลัวควรวางจิตยอย่างไรครับคุยใกลๆ้ๆปากไงไม่ค่อยได้ยินเจค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งๆแล้วเรารู้สึกกลัวควรวางจิตยอย่างไรครับอย่าไปสนใจเลยมันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมันเป็นเรื่องของจิตเราให้เราไปอยู่กับพุโทโธไปเวลาเกิดความกลัวก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการที่ทําให้เรากลัว คำถามต่อไปคะ่ะหนูเจริญสติอย่างต่อเนื่องใจมีสภาวะชุ่มเย็นต้องทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะพูดดังหน่อยนะไม่ค่อยได้ยินนะขอขอนุญาตนะค ะ, ะหนูเจริญสติอย่างต่อเนื่องใจมีสภาพชุ่มเย็นต้องทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ทำให้มากๆขึ้นให้เย็นมากขึ้นเหมือนเปิดแอร์ตอนนี้มันมันแค่ยี่สิบก๊ลล์เหลือสิบแปดเหลืออุณหภูมิใหมันเย็นลงไปเรื่อยๆ ปฏิบัตห้มัมากขึ้นมากขึ้ น, านจากคุณจอนค่ะพระอาจารย์ครับมีอาชีพขายกุ้งขายปลาถ้าเป็นของตายมาแล้วก็ถือว่าไม่บาปใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าเราไปสั่งเขาไว้ก่อนยุ่งหน้าหรือเปล่าเ mm hmm. ช่นเราไปสั่งเขาว่าต้องการปลากี่ตัวอย่างนี้แล้วให้เขาไปหามาให้เราแล้วค่าให้เราเยอย่างนี้ก็ยังถือว่าบาปอยู่ mm hmm. แต่ถ้าเราไป ไปไปไปซื้อของที่บรรตายแล้วมาขายนี่ไม่บาปตอนนี้ยังไม่มีค่ะการบาปนี่มันเกิดจากการทำเองก็ดีหรือบอกให้คนอื่นเขาทำให้เราก็ดีเช่นเราไปร้านอาหารเขามีปลานอนอยู่ในอ่างเราเอาตัวนี้ตัวนี้อยากจะได้ตัวนี้ให้เขาตักขึ้นมาแล้วก็เอาไปค้าไปแกงก็ทำกับข้าวมาให้เรากินนี่อังนี้บาป แต่ถ้าเราไปแล้วเราก็สั่งอาหารโดยที่เราไม่ได้ไปชี้บ อ, อกจะเอาตัวนั้นตัวนี้เอาจริงมันก็ไม่บาป<ม>เพราะเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาข่ า, ขาแต่ถ้าเพื่อความมั่นใจถ้าเรารู้ว่าค่อยต้องเอาของของที่เป็นมาค่าเราก็อย่าไปกินที่ร้านนั้นก็แล้วกันอย่าไปส่งเสริมให้เขาค่ากัน หลวงพ่อข้ามีที่ท่านที่ถามว่าข้าหนอนในแผลสุนักเพื่อเป็นการรักษาจะบาปไหมต่อมาว่าพอดีว่าเป็นคุณหมอค่ะจะมีทางออกอย่างใดบ้างเจ้าคะให้หมอคนอื่นทำแทนเนี่ยหมอบางคนเขาเขาไม่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปเขาก็เขาก็ทำได้อย่างสบายใจก็ให้เขาทำไปอย่างพาพบางทีนีตัดต้นไม้ไม่ได้ก็ให้ญาติโยมตัดแทนให้ ญาตโยมบอกญาตโยมว่าตอนนี้กิ่งไม้ ม, มันมามาติดหลังคาทํำยังไงดีญาตโยมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจัดการให้เพราะญาตโยมรู้ว่าพระตัดต้นไม้ไม่ได้เพราะสมัยโบราณเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตไปตัดต้นไม้ก็เหมือนกับไปไปฆ่าไปทําการฆ่าพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยบอกว่าอย่างนี้นก็ให้ศรัทธาญาติโยมที่เขามีศรัทธาที่เขาทําบาปอยู่เป็นประจำํำ เขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเด็ดดัง<ม>น้าสาหัสสําหรับเขาเขาก็มีศรัทธาเขาอยากจะได้บุญก็เข้าก็มาทําบุญแทนจากคุณมอมร์ค่ะเคยนั่งสมาธิครั้งหนึ่งลมหายใจหายตัวหายพุทโธหายสองนาทีกลัวตายเลยถอนออกมาหลังจากวันนั้นก็พยายามทําให้ได้แต่ไม่เคยได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ทําเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ขอคําชี้แนะครับไอยากได้อย่าไปอยากได้ นั่งแล้อยากได้มันเหมือนกับเป็นการบังคับใจให้ไปตรงจุดนั้นเราไปบังคับมันถ้ามันจะไม่ไปเราต้องนั่งไปแล้วไม่สนใจว่ามันจะไปทางไหนให้เรามีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวก็พอจากคุณพนาดค่ะการฟังธรรมทาให้กิเลสอ่อนแรงลงหรือเปล่าครับผมฟังและเวลาฟังธรรมใจเราก็สงบในระดับหนึ่งครับ จากคุณะสะสิวิมลค่ะเวลานั่งสมาธิก็เกิดความคิดต่างๆเช่นกลัวผีก็นึกถึงคําพูดท่านอาจารย์ว่าอย่าไปกลัวผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงอะไรเช่นนี้หนูทําแบบนี้ไปก่อนได้ไหมเจ้าคะก็กลัวทําให้หายกลัวก็ใช้ได้เพราะความจริงมันผีจริงๆเขาไม่มีเวลามาหลอกเราหรอกเขาต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาส่วนที่ผีเรากก็เกิดใจเราหลอกเราเองเราคิดขึ้นมาเอง ไปอยู่ที่ไหนเงียบๆคนเดียวนี่เดี๋ยวผีมาแล้วคิดถึงคนสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็โอ๋อผีมาแล้วจริงๆมันเป็นความปรุงแต่งของใจเราหลอกตัวเราเองถ้าเราหยุดความปรุงแต่งได้ผีมันก็หายไปพอผีหลอกมาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไล่ผีไปแป๊บเดียวผีก็หายไปยังไม่มีค่ะหลวงอผีผีจริงๆเขาเรียกว่าดวงวิญญาณ อย่างพวกเราเนี่ยต่อไปก็เป็นผีตัวร่างกายไม่มีแล้วเราก็เป็นดวงวิญญาณนี่เรามันจะไม่มีเวลามาหลอกคนนั่นคนนี้ที่เราเกียดชังหรอกเพราะว่ามันถูกอำนาจของบุญของบาปเป็นตัวฉุดลากไปเท่นั้นบ mm hmm. างทีก็ไปสวรรค์หรือไปอบายจะ mm hmm. ไม่มายุ่งกับคนที่มีชีวิตอยู่นอกจากว่าเรามีความผูกพันมากๆนี่บางครั้งแรงของความผูกพันนี่อาจจะดึงให้เราเข้ามาเยี่ยมเขาได้ ช่วงแรกๆช่วงตอนที่ตายใหม่ๆนี้อาจจะมาอยากจะวนเวียนอยู่ใกล้เขานี้แต่บางทีก็อา จ, จะสื่อสารกับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถมองเห็นเราเขาไม่มีตาทิพย์พอพอสักพักหนึ่งก็รู้ว่าติดต่อกันไม่ได้ก็เลยต้องไปยอมไปรับผลบุญผลงดาบต่อไปอยังม่หิ้งใช่ ไ, ป ไ, ปไหไม่เว็นไรก็ดเดี๋ยวก็รอรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวคนงบางคนกําลังส่งข้อความเข้ามาอยู่ ยังยังพอมีเวลาอยู่ใครอยากจะถามอะไรตอนนี้ถามได้นะพอเลิกแล้วห้ามถามนะเพราะไม่ไม่สะดวกบนาะงคนจะรอมาถามหลังใหม่คนเดียวสองต่อสองมันไม่มีเวลาแล้วเสียงมันไม่ดังเพราะต้องใช้เสียงใหม่ช่วยถึงจะพูดกันรู้เรื่องดังเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดไม่ต้องอายหรอกถ้าไม่อยากจะให้เขารู้ว่าเป็นใครก็ขเขียนข้อความส่งเข้ามาก็าได้ คนเรามีปัญหาคล้ายๆกันใช่หกิเลสของพวกเราเหมือนกันนะมีความโลคโกรธโงงเหมือนๆกัน<ม>ันไม่ต้องอายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนคนไข้เนี่ยพวกเราเป็นเหมือนคนไข้เวลาไปหาหมอเราอายไม่ว่าเราเป็นคนเราเป็นโรคมะเร็งเราเป็นโรคหัวใจคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราเข้ามาคําถามออเ อ, อผมมีคําถาม ผมสั่งเขาฆ่าไก่ไปครับเพื่ออยากกินแบบสดๆนะครับอันนี้เราจะเราทำไปแล้วอันนี้เราจะแก้ยังไงครับก็แก้ไม่ได้แล้วล่ะต้องใช้กรรมถึงเวลาก็จะ้องไปเกิดเป็นไก่ให้มาฆ่าก็อย่าไปทํากรรมใหม่กันแล้วกันนะหรืออาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปเกิดเป็นไก่แล้วก็ถึงเวลาก็ถูกเขาจับไปฆ่า ไม่เป็นไรหรอกไปเกิดอะไรมันก็ต้องตายอยู่ดีเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ให้ตายเพราะถูกเขาฆ่าก็ต้องตายเพราะเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายไปอยู่ดีถ้าไม่อยากจะไปใช้กรรมก็ไปไปนิพพานซะอย่ากรับมาเกิดไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอร ห, หนันต์นี้ก็จะไม่ต้องกลับมาใช้กรรมอีกต่อไปต่อไปนี้ก็อย่าไปทํากรรมใหม่แล้วกันเมารู้แล้วว่าทํากรรมแล้วมันมีผลตามมาก็หยุเดเสียหลังที่พระเจ้าสอน นะกลัวจะไม่กลัวจะลืมลพอถึงเวลาอยากจะกินของสดๆขึ้นมาลืมใ ะ, นะ่ไหมะเข้าใจนะมีคำถามจากคุณเจษดาพรค่ะพระอาจารย์คะเด็กเล็กแปดขวบเราสอนพูดคุยเรื่องนิพพานสอนให้เห็นทุกข์ในโลกเหมือนกับที่เรารู้สึกเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเจ้าคะต้องสอนด้วยวิธีปฏิบัติเด็กเขาจะไม่เข้าใจที่จะดีมาก เขาจะเห็นจากการปฏิบัติเช่นพาเขาบางทาบุญตักบาทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเนี้สอนเข้าไปแล้วเขาจะซึมซาบเข้าไปเองสอนเขาทาบุญเวลาที่เขาทําร้ายสัตว์ก็บอกเขาอย่าไปทําบอกว่าเขาสัตว์ก็เหมือนเราเราไม่อยาก ใ, ใครมาตีเราเราก็อย่าไปตีเขาสอนด้วยวิธีการปฏิบัติ จากคุณออมมี่ค่ะช่วงเช้าตื่นใส่บาตรไม่ทนันไปทําบุญช่วงเพลงแทนได้หรือไม่เจ้าคะเหมือนกันไหมเจ้าคะได้ทําบุญช่วงไหนก็ได้น้ำเพลิไปก็ถวายน้นําปานะแทนก็ได้พระดื่มน้นําปานะได้น้ําผลไม้คั้นและกรองแล้วไม่ให้มีเนื้อไม่มีกะแต่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากาปั้นถ้าใหญ่กว่าเช่นส้มโอมะละกอสับ ป, ประรดนี่เอามาคั้นน้าไม่ได้ ทำเป็นน้ำส้มน้ําผลไม้ส้มอะไรอย่างนี้ได้องุ่งนแอปเปิ้ลอะไรตรงนี้เป็นงานที่จะ ต, ต้องกรองเอากากเอาเนื้อออกให้หมดให้เหลือแต่น้ําอย่างเดียวคุณประชาค่ะถามว่าการพูดโกหกกับคนคนเดียวกับโกหกกับคนหมู่มากบาปจะมากขึ้นเป็นทวินคูณหรือไม่ครับขึ้นอยู่กับความเสียหายของบาปที่เราพูดไปถ้าความเสียหายมากบาปก็มากควาเสียหายน้อยบาปมันก็น้อย เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนก็จะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ที่นี่ถามอีกครั้งหนึ่งมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาเท่า น, นี้ก่อนนะอโอกาสหน้าค่อยมาฟังเทศฟังธ ร, รรมมาถามกันใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด